เรียนภรรยาท่านผู้ฟังทั้งหลายในช่วงคุยธรรมะกันในวันนี้เวลาที่เราฟังธรรมะนี้เราต้อง เรามีนั้นก็ต้องเป็นหูที่มีโสตะนะโสตะ มีผลโดยไม่มีเหตุไม่มีไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุก็จะต้องเกิด ไม่มีไม่ใช่คำเช่นเอ่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของเราชีวิตฉัน นะเข้าใจได้ง่ายบ้างเข้าใจได้ยากมากก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจไปๆกันแน่นั้นพระเจ้าจึงพูด แม้เมื่อเหตุดับผลก็ดับผลจะดับได้เหตุนั่นนะคําศัพท์มันสูงมากนะอิทัปปัจจยตาเป็นภาษาบาลีจริงๆแล้วมีความหมายง่ายมากก็คือเอ่อความเป็น ประเด็นก็คือสิ่งที่พุทธเจ้าพูดเป็นพุทธอรัศนะบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีแล้วสิ่งนั้นจึงมีและ แล้วก็จึงมีความหิวเกิดเป็นเหตุเป็นผล 11 คู่ด้วยกันนั้นคือเริ่มจากความที่เอ๊ะทําไมเรามีความทุกข์แล้วเอ๊ะทําไมบางทีเรา มันด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะหัวเราะด้วยซ้ํานะตลกแต่พอมาด่าพ่อด่าแม่เราเอ๊ะ พูดกับคนขายส้มตําคนขายพลไม้เค้าก็ต้องโกรธไปกับเราด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเคสอย่างนั้นไม่ใช่กรณีอย่างนั้นแสดงว่า แล้วมันอยู่ที่ตัวเรานั่นเองเอ๊ะทําไมเราถึงโกรธในบางเรื่องแล้วก็ เรเรามีความยึดถือในไปก้าวไปก้าวลงในเรื่องนี้ว่าเป็นทุกข์ไปก้าวลงใน เป็นที่ที่เราจะไปก้าวลงได้เป็นที่ที่ลงเวลาที่จิตของเราจะ แต่ไม่มีความยึดถือในเรื่องอื่นนะที่เรา เริ่มตั้งความอยากไว้ก่อนแล้วเนี่ยเราจึงมีความยึดขึ้นมาที ทำไมเราเพราะเรามีความรู้สึกมีความทยานอยากที่เรามีตัณหามีความทยานอยากเนี่ยเพราะเรามีความ แนวเรามีความรู้สึกเป็นสุขในสิ่งนี้เราจึงมีความอยากที่จะให้คนอื่นพูดดีๆแต่ถ้าเราไม่ เราไม่ได้มีเวทนาในสิ่งๆนั้นเราไม่ได้มีเวทนาในชื่อพ่อแม่คนต่างๆหูจมูกลิ้น มีช่องทางทางตาทางหูทาง นะแสดงแต่นะหมายถึงช่องทางเนี่ยที่ใช้ให้มันเกิดขึ้นเข้าออกสัมผัสนั่นเองทีนี้ไอ้ช่องทางตรง นะมีมีการรับรู้นะเข้าไปในสิ่งสิ่ง สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นตัวตนสิ่งนั้น ที่เขามาปรุงแต่งตามล่ะแล้วว่าเอ๊ะทําไมต้องเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อตัวเราไม่ได้หรือหรือทําไม ไม่อยากได้ของที่ไม่ดีไม่สุกอยากได้ของที่พอจิตเราไปก้าวลงเป็นเป็น มีความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมกันอยู่อย่างนี้ๆนั้นแสดงว่าคุณกระทบตรงเนี้ยๆ นั่นคือเมื่อสิ่งไหนมีสิ่งไหนจึงมีเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะ แล้วว่าคุณฟังเสียงตรงนี้อยู่เนี่ยตรงสินค้าเราเห็นรองเท้าที่เราชอบเราเห็นหรือว่ามาร่วมอะไรเช่นอย่างนี้แล้วๆที่ ก็จะมีความรู้สึกเกิดๆอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาวิเคราะห์ธรรมะ เอ่อแล้วก็มี